ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งภาคที่หเรื่องสันตติมหาอมาตพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงรรบารพสันตติมหาอมาตตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอลังกโตเจปิสมังจะระยะสันโตทันโต นิยะโตพระมจารีสัพเพสุภูเตสุนิทายะทันทังโสบรามาโนโสสัมโนสพิกุแปลว่าแม้ถ้าบุคคลประดับแล้วพึงประพฤติสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วที่อย่างธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาญา ในสัตว์ทุกจมพวกบุคคลนั้นเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุตอนพระศาสดาทรงพยากรณ์สันตติมหาอมาตความพิสดารว่าในการครั้งหนึ่งสันตติมหาอมาตนั้นปราบพรามปัจจันตะจุนบทของพระชาปเศสนิโกสลอันกำเริบ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 ขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐไปสู่ท่าอาบน้ำเห็นพระศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบินดาบาด ท, ที่ระหว่างประตูอยู่บนคอช้างตัวประเสริฐนั่นเองพงกศีศรษะถวายบังคมแล้วพระศาสดาทรงทาการแย้มพระนนทุนดามบ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแล เป็นเหตุให้ทรงกระทำการแย้มให้ปรากฏเมื่อจะตรัส บ, บอกเหตุแห่งการแย้มจึงตรัสว่าอา น, นุนเธอจงดูสันตติมหาอมาตในวันนี้เองเขาทั้งประดับด้วยอาพรทุกอย่างเทียวมาสู่สำนักของเราจะบรรลุพระอรหัตในเวลาจบขาถาอันประกอบด้วยบทสี่ แล้วนั่งบนอากาศชั่วยเจ็ดลำตาลจะประินิพานมหาชนได้ฟังพระดำรัตของพระศาสดาผู้กำลังตรัสกับพระเตระอยู่บรรดามหาชนเหล่าใดพวกมิจฉาทิฏฐิคิดว่าท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นย่อมพูดสักแต่ปากเท่านั้นได้ยินว่า ในวันนี้สัญตติมหาอ ม, มาต์นั่นมืนเมาสุราอย่างนั้นแต่งตัวอยู่ตามปกติฟังธรรมในสำนักของพระสมณะโคโดมนั้นแล้วจะประนินิพานในวันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณะโคโดมนั้นด้วยมุสาวาทส่วนพวกสัมมาทิฏฐิกิีกันว่าน่าะ จ, จั์พระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 ในตันทีตันใดนั่นเองนางมีปากอ้าและตาเลือกได้กระทำกาละคือตายลงแล้วสันตติมหามารกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงตรวจดูนางนั้นในขณะสักว่าคำอันชนทั้งหลายกล่าวว่าหญิงนั่นดับแล้วนายดังนี้เขาถูกความโศกอย่างแรงกล้า ครอบงำแล้วในขนาดนั้นเองสุราที่เขาดื่มตลอดเจ็ดวันได้ถึงความเสื่อมหายแล้วบานประหนึ่งหยาดน้ำในกระเบื้องที่ร้อนจากนั้นเขาคิดว่าคนอื่นเว้นพระตถาคตเสียจะไม่อาจเพื่อจะยังความโศกของเรานี้ให้ดับได้เป็นผู้มีพละกายแวดล้อมแล้ว ไปสู่สำนักของพระศาสดาในเวลาเย็นถวายบังคมแล้วกราบตูอย่างนี้ว่าข้าแตโพระองค์ผู้เจริญความโศกเห็นป่านนี้เกิดขึ้นแกข่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มาแล้วด้วยหมายว่าพระองค์จะอาจเพื่อร ง, งับความโศกของข้าพระองค์ได้ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิดตอน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 รักถาสันตติมหาอามาตบรรลุพระราหัสแล้วพิจารณาดูอายุสังการของตนทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุสังการนั้นแล้วจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงอนุญาตการปรินิพานแก่ข้าพระองค์เถิด พระศาสดาแม้ทรงทราบกรรมที่เธอทำแล้วก็ทรงกําหนดว่าพวกมิจฉาทิฏฐิประชุมกันเพื่อคม่มขีเราด้วยมุสาวาทจะไม่ได้โอกาสพวกสัมมาทิฏฐิประชุมกันด้วยหมายว่าจะดูลีลาของพระพุทธเจ้าและลีลาของสันตติมหาอมาติพวกสัมมาทิฏฐิเมื่อฟังกรรม ที่สันตติมหาอมาตย์นี้ทำแล้วจะทำความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลายหนังนี้แล้วจึงได้ตรัสกับสันตติมหาอมาตย์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบอกกรรมที่เธอทำแล้วแก่เราก็เมื่อจะบอกจงอย่ายืนบนภาคพื้นบอกจงยืนบนอากาศชั่วเจ็ดลำตานแล้วจึงบอกสัน ต, ติ มหาอาหมารนั้นทูลรับคำแล้วจึงถวายบังคมพระศาสดาขึ้นไปสู่อากาศชั่วลำตานหนึ่งลงมาถวายบังคมพระศาสดาอีกขึ้นไปนั่งโดยบรลังบนอากาศเจ็ดชั่วลำตาตามลำดับแล้วทูลว่าข้าแต่บระองผู้เจริญขอพระองค์ทรง ส, งสดับบุรพกรรมของข้าพระองค์ตอน บุรพกรรมของสันตาติมหาอมาตในกลับที่91บแต่กับนี้ครั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปสัสสีข้าพระองค์บังเกิดในตระกูลตระกูลหนึ่งในพันธุมาดีนครคิดแล้วว่าอะไรหน้อแลเป็นกรรมที่ไม่ทำการตัดรอนหรือบีบคัน้นซึ่งจนเหล่าอื่น หังนี้แล้วเมื่อใกลโกรูอยู่จึงเห็นกรรมคือการเปล่าร้องในบุญทั้งหลายจำเดิมแต่การนั้นทำกรรมนั้นอยู่ชักชวนมหาชนเที่ยวเปล่าร้องอยู่ว่าพวกท่านจงทำบุญทั้งหลายจงสมาทานอุโบสถในวันอุโบสถทั้งหลายจงถวายทานจงฟังธรรมชื่อว่ารัตนาอย่างอื่น เช่นกับพุทธรัตนะเป็นต้นไม่มีพวกท่านจงทำสการะรัตนะทั้งสามเถิดตอนผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญกุศลพระเจ้าพันธุม์ุมหาราชผู้ทรงเป็นพระพุทธบิดาทรงสดับเสียงของข้าพระองนั้นรับสั่งให้เรียกมาเข้าเฝ้าแล้ว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 จึงตรัสว่าพ่อเจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างนั้นจงประดับพวงดอกไม้นี้แล้วนั่งบนหลังม้าเที่ยวไปเถิดดังนี้แล้วก็พระราชทานพวงดอกไม้เช่นกับพวงแก้มุกดาตั้งได้พระราชทานม้าที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์ต่อมาพระราชารับสั่งให้ข้าพระองค์ผู้กําลังเที่ยวประกาศ อยู่อย่างนั้นนั่นแหละด้วยเรื่องบริหารที่พระราชาพระราชทานมาเฝ้าแล้วแล้วตรัสถามอีกว่าพ่อเจ้าเที่ยวทําอะไรเมื่อข้าโปร่งทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าโปร่งทํากรรมอย่างนั้นนั่นแหละจึงตรัสว่าพ่อแม้ม้าก็ไม่สมควรแก่เจ้าเจ้าจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิด แล้วได้พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวแม้ในครั้งที่สพระราชาส่งสดับเสียงของข้าพระองค์แล้วรับสั่งให้มาสลัดถามว่าพ่อเจ้าเที่ยวทําอะไรก็เมื่อข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ทำกรรมนั้นแลจึงตรัสว่าเนี่ยพ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้าแล้วจึงพระราชทานโภคเป็นอันมากและเครื่องประดับใหญ่ทั้งได้พระราชทานช้างเชือกหนึ่งแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นประดับด้วยอาบอ์ทุกอย่างนั่งบนคอช้างได้ทำกรรมของผู้เปล่าร้องทำสิ้นแปด0มื่นปีกลิ่นจันฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์ กลิน่นดอกบัวฟุ้งออกจากปากตลอดการมีประมาณเท่านี้นีเป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทำแล้วสันตติมาห์นั้นครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างนั้นแล้วนั่งบนอากาศเทียวเข้าเตโชธาตปรินิพานแล้วเปลวไฟเกิดขึ้นในสรีระไม่เนื้อและโลหิตแล้ว ธาตทั้งหลายดุจ ด, ดอกมะลิเหลืออยู่แล้วพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวนั้นพระศาสดาทรงบรรจุทาตเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้สร้างสตูใบในทางใหญ่สี่แพร่งด้วยทรงประสงค์ว่ามหาชนให่แล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญดังนี้ตอน สันตติมหาอมาตถ์ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรมว่าท่านผู้มีอายุสันตติมหาอมาตถ์บรรลุพระอรหันต์ในเวลาจบพระคาถาคาถาเดียวยังประดับประดาอยู่นั่นแหละนั่งบนอากาศปริญิพานแล้วการเรียกเธอว่าสมณะควรหรือหนอแล หรือเรียกเธอว่าพรามจึงจะควรพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรนาะเมื่อภิกษุทั้งหลายตูลว่าพวกข้าพระองค์นั่งประชุมกันด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเรียกบุตรของเรา แม้ว่าสมณะก็ควรเรียกว่าพรามก็ควรเหมือนกันหล่างนี้เมื่อจะทรงสืบอนุส์ทีแสดงธรรมจึงตรัสประกาศนิว่าอลังกะโตเจปิสมังจริยะฉันโตทันโตนิยะโตพรมจารีสัมเพสุปูเตสุนิถายะทันทงัง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 บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอลังกโตแปลว่าประดับแล้วได้แก่ประดับด้วยผ้าและอาพอรมณิตพึงทราบความแห่งพระกถานั้นว่าแม้หากว่าบุคคลประดับด้วยเครื่องอลังการมีผ้าเป็นต้นพึงประพฤติสม่าเสมอด้วยกายเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะความสงบระงับ แห่งราคะเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกเพราะฝึกอินทรีย์ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงเพราะเที่ยงในมรรคทั้งสี่ชื่อว่าปรมาจารีเพราะประพฤติประเสริฐชื่อว่าวางอาจยาในสัตว์ทุกจมพวกเพราะความเป็นผู้วางเสียซึ่งอาจยาทางกายเป็นต้นแล้วผู้นั้นคือผู้เห็นปานนั้น อันบุคคลควรเรียกว่าพรามเพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วก็ได้เรียกว่าสมณะเพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้วก็ได้เรียกว่าภิกษุเพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำลายแล้วก็ได้โดยแต่ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิปลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องสันตติมหาอมาตย์